จรย์ท่านผู้มีจิตศรัท ธ, ธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เกิได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของท่านเพราะการบำเพ็ญการประพฤติการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตจิตใจทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตคือภพชาติที่จะตามมาต่อไปเนื่องจากว่าชีวิตรืดจิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เมื่อร่างกายเก่าชำรุดทุดโทรมไม่สามารถใช้กลางได้เราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปหา ร่างกายอันใหม่เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เสื้อผ้าชุดเก่าที่เราใส่แล้วมันหมดสภาพใช้ไม่ได้เราก็ไปหาเสื้อหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ถ้าเรามีฐานะการเงินที่ดีเราก็จะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดีกว่าชุดเก่าถ้าฐานะการเงินของเราไม่ดีเราก็จะได้เสื้อผ้าที่ ไม่ดีเท่ากับชุดเก่าร่างกายของเราก็เป็นเสื้อผ้าของจิตใจของพวกเราจิตใจพวกเราได้เสื้อผ้ามาจากการทําบุญในอดีตการทําบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการสร้างฐานะการเงินการทองถ้าเรามีฐานะดีเราทําบุญมากเราก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มี มีความฉลาดมีความสวยงามมีฐานะการเงินการทองที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมามากพอฐานะการเงินการทองของเราก็จะไม่ดีพอก็จะไม่ได้ร่างกายที่สวยงามเท่ากับผู้ที่ทําบุญมากกว่าเราหรือมีฐานะการเงินการทองดีกว่าเรา ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเรืเราก็ควรหมั่นทำบุญกันให้มากๆเพราะการบุญนี่แหละการทำบุญนี่แหละเป็นการสร้างฐานะการเงินให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา mm hmm. เมื่อเราจากโลกนี้ไปทิ้งร่างกายนี้ไปแล้ว เราจะได้ไปรับหรือไปได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมดังนั้นขอให้เราจงมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองก็ตามแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าได้ร้อยเปซคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคำเป็นความจริงทั้งนั้น ไม่มีคำปวดคำโกหกหลอกลวงเข้ามาแทรกแซงเลยผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ได้รับประโยชน์สุขกันทุกคนตั้งแต่ระดับเทพระดับพรมและระดับอริยะบุคคลต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่พระโสดาบัน ขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์มีผู้ที่มีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติและสามารถได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอให้ไปตายแล้วเกิดใหม่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถ้าสามารถปฏิบัติได้เต็มที่แล้วจะสามารถได้รับผลอันประเสริฐที่สุดของ ศาสนาได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องใบเวรไหว้าตายเกิดไปสะสมบุญบารมีเป็นกลับเป็นกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะต้องใช้เวลามากในการสะสมบุญบารมีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องสะสมบุญอะไรบ้างเมื่อมากน้อยเพียงไร แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศสั่งสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเราก็สามารถเดินทางรัดได้เลยเดินทางตรงได้เลยมีบุคคลที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสแสดงพระธรรมเทศนา พอผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะมีผู้ชี้ทางแล้วนั่นเองถ้าไม่มีผู้ชี้ทางการเดินทางนั้นก็จะลำบากเพราะไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนั้นอยู่ทิศไหนอยู่ทางไหนไม่รู้ว่าอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ไปก็ไปแบบสุ่มเดาไปก็จะไม่มีทางที่จะได้พบได้นอกจากคนฉลาดจริงๆเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระองค์ปรารถนาได้โดยไม่มีใครมาสอนไม่มีใครนำทางแต่ก็ต้องทรงใช้เวลาเป็นจำนวนมากต้องสะสมบุญบารมีเป็นกับเป็นกันถึงจะได้มา ตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาถ่ายทอดให้พวกเราพวกเราก็ต้องบําเพ็ญบุญบา ร, รมีกันไปเป็นกลับเป็นกันกว่าจะได้พบพระนิพพานแต่ตอนนี้เราไม่ต้องบําเพ็ญบุญบา ร, รมียาวนานขนาดนั้นเราสามารถ บำเพ็ญบุญบา ร, รมีในภบนี้ในชาตินี้ได้และเราสามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจดเดือนหรือเจดปีตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตามได้รับรองได้ว่าจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่เกินเจ็ปีนี่คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนและมีผู้พิสูจน์ความจริงนี้แล้วปรากฏมีพระอาราธนตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพียงในระยะเวลาเจเดือนเท่านั้นเองคือข้างหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนานั้นตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชา อันนั้นเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกโดยสอนให้แก่พระปัญจวัคคีผู้ที่เคยติดตามรับใช้พระพุทธเจ้ามาแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงทร ง, ทรงอดเลิอกอดอาหารคือทรงปฏิบัติอย่างเข้มข้นอยู่49กวันอดพระกายอาหารโดยคิดว่าการอดอาหารนี้ จะทำให้พระ อ, องค์ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่พออดไปถึง49วันแล้วก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจะทำลายคือความอยากต่างๆนั้นมันก็ยังไม่หมดไปทั้งๆที่อดอาหารมาถึง49วันด้วยกันก็ทรงรู้ว่าถ้าอดต่อไปก็จะตายไปเปล่าๆจะเสียโอกาสอันดีงามในการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นพระองค์จึงจึงเปลี่ยนใจเปลี่ยนพระทยเลิกอดอาหารแล้วาหาันมาพิจารณาดูว่าความอยากนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจร่างกายจะตายอยู่แล้วแต่ความอยากก็ยังไม่หายไป พรองคถึงรู้ว่าต้องมากําจัดความอยากที่ในใจและวิธีที่จะกําจัดความอยากก็ต้องใช้สมถะและวิปัสสนาภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบให้นิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสาเหตุของความอยากว่าเกิดจากาอะไรก็ทรงเห็นว่าความอยากเกิดจากความหลงความไม่รู้ธรรมชาติของใจว่า ความสุขที่แท้จริงของใจนั้นอยู่ที่การไม่อยากต่างหาเพราะอยากได้อะไรมาแล้วจะมีความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วไม่นานก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อมีความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้มาก็จะหายไปจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจกังวนกังวายกระสับกระส่ายจนกว่าจะได้ตามความอยากเพราะพระพุทธองค์จึงพิจารณาเห็นว่า ความอยากนี่เป็นโทษเป็นอุปสรรคต่อความสุขของจิตใจพระ อ, องค์จึงใช้ปัญญานี่ตัดความอยากตัดพอตัดความอยากได้หมดแล้วใจก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาก็เลยได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอรู้แล้วก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้แก่พระปัญจวคี ผู้ฟังธรครั้งแรกพอทร ง, งแสดงเรื่องของความอยากว่าเป็นเหตุของความทุกข์และวิธีดับทุกข์ก็คือต้องดับความอยากด้วยการบำเพ็ญภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาภาวนาพอทรงสอนเท่านั้นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีเห็นว่า มีอะไรที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็เลยดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความไปยึดติดกับสิ่งที่เกิดและดับได้นั่นเองตราบใดถ้าเรายังยึดติดกับสิ่งที่เกิดแล้วไม่อยากให้เขาดับเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องดับแน่นอนแต่เราไม่ยอมรับความจริงอันนี้เช่นเรารู้ว่าร่างกายของเรา เกิดมาแล้วมันต้องตายเป็นธรรมดาแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงอันนี้เรายังอยากจะอยู่ไปนานๆเรายังอยากไม่ตายอยู่ถ้าเรามีความอยากนี้อยู่ในใจของเราเราก็จะมากังวลมาทุกข์ทรมาน ก, กับความเป็นความตายของร่างกายแต่พอเราปรงได้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆ ย, ย, ยอมรับความจริงอันนี้ตายเป็นตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ความทุกข์ความอยากที่จะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆานก็จะหายไปความอยากไม่ตายก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความสบายใจปรากฏขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์มีดวงตาเห็นธรรมสามารถเอาปัญญาความจริงนี้มาดับความอยากได้ไม่กลัวความตายต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรไม่กังวลปล่อยวางได้ท่านก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่มีมีมีอาการอยู่4ประการคือเวทนาความรู้สึกความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาความจำได้วิญญาณการรับรู้และสังขารความคิดปรุงแต่งสรงสอนว่านามขันธ์ทั้งสี่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับฝนฟ้าฝนตกแดดออกไม่ให้ไปยึดไปติดให้ปล่อยวางพอปล่อยวางนามขันธ์ทั้งสี่ได้ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมา5้ห้ารูปแล้วหลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดพวกฤาษีชีพไรหรือพวกที่นับถือลัทธิต่างๆนักบวชที่นับถือลัทธิต่างๆพอสอนแล้วเขาก็บรรลุธรรมกันขึ้นมา เป็นพระอารหันต์กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากภายในเวลาเจ็ดเดือนคือตั้งแต่เดือน8ถึงเดือนสที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสก็ปรากฏมีพระอารหันต์ตรสาวโลกอย่างน้อย1250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามารับโอวาจาจากพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธกาลมี้าพอารหันอย่างน้อยปรากฏขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกถึงหนึงรรูปก่อนหน้านี้ไม่มี้าพอารหันปรากฏขึ้นเลยแม้แต่รูปเดียวเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันด้วยกัน เพราะพระ อ, อาหารตรสาวกนี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนต้องมีครูก่อนถึงจะมีนักเรียนที่จะเรียนจากครูได้การนักเรียนเรียนโดยที่ไม่มีครูเรียนอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะจบปริญญาได้เพราะเรียนแบบผิดๆถูกๆนั่นเองไม่เรียนตามหลักสูตรที่ควรจะเรียนก็เลยไม่เรียนไม่จบกัน แต่พอมีครูที่ได้จบปริญญาเอกมาสอนเท่านั้นเองนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจากครูที่จบปริญญาเอก mm hmm. ก็สามารถจบปริญญาระดับต่างๆกันได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้ mm hmm. พระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์แรกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะไม่มีทางหรือผู้ที่ภาษาวกทั้งหลายพระอรหันตาสาวกทั้งหลาย จะไม่มีทางบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยจะต้องรอมีให้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นก่อนแล้วมาสั่งสอนพระธรรมคำสอนถ้าเกิดพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วตรัสรู้แล้วเกิดมีความท้อพระทยัยไม่อยากจะสอนพวกเราก็จะไม่มีสาวกปรากฏขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์หลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านไม่สอนใครเลย ท่านก็เลยเป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้านี้มีสองชนิดด้วยกันชนิดที่สั่งสอนผู้อื่นเรียกว่าพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อ, อย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเครารพอยู่ทุกวันนี้หลังจากท่านตัดสรูแล้วท่านสอนผู้อื่นแต่ถ้าท่านไม่สอนผู้อื่นท่านก็จะเป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าไป แล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในโลกนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้าสองชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนและไม่สั่งสอนดังนั้นพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนจึงมีพระคุณต่อสัตว์โลกเป็นอย่างมากเพราะเป็นเหมือนกับหมอที่มียาวิเศษเช่นสมัยนี้เรามีโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หาย เช่นโรคมะเร็งถ้ามีหมอคนใดาสามารถค้นควา้าวิธีรักษาโรคมะเร็งได้หมอคนนั้นก็จะต้องถือว่าเป็นหมอวิเศษเพราะจะช่วยชีวิตของคนที่เป็นโรคมะเร็งได้เป็นจำนวนล้านโดยทีเดียวพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่าหมอที่รักษาโรคมะเร็งเสียอีกเพราะเป็นหมอที่รักษาโรคเกิดแก่เจ็บตาย พวกเรานี้ยังมีโรคเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่อยู่ยังไม่มีจบสิ้นเป็นเหมือนโรคที่ไม่มีรักษาไม่หายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าได้ได้ทำบุญก็ได้เกิดแก่เจ็บตายในภพที่ดีหน่อย ถ้าได้ทำบาป ก, ก็ได้ไปเกิดแก่เจ็บตายในภพที่เลวลงไปแต่ก็ยังถือว่าไม่ดีนั่นเองเพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายบ้างมันเป็นความทุกข์อย่างมหลังนั้นะการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องไม่เกิดเท่านั้นดังที่มีคาพูดที่พูด ที่ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่เกิดแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้ น, น, นถ้าตามใดมีการเกิดตามนั้นก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าและความวิเศษหรือโชควาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้า มียารักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายของเราถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนเราก็จะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปอย่างมากเราทำได้ก็เพียงทำบุญหรือนั่งสมาธิถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีลได้เราก็จะไปเกิดเป็นเทพได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะไปเกิดเป็นพรหมได้ แต่มันจะไม่ถาวรหลังจากบุญที่เราทํานี้มันเสื่อมหมดไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้พบพระพุทธเจ้าหรืออย่างน้อยได้พบตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคาสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันบ้นเริเนิพพานจากพวกเราไปมีพระถามพระพุทธเจ้าว่าจะทรงแต่งตั้งให้ใครเป็นศาสดาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าทำวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ประสสจากศาสดาเพราะพวกเธอมีธรรมวินัยที่ศาสดาได้ทรงจัดสอนเอาไว้แล้วและธรรมวินัยอันนี้แหละที่เราได้รับการสืบทอดถ่ายทอดกันมาหลังจากวันที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงมีศาสดาอยู่กับเรา เพราะว่าร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นคำสอนไม่ใช่เป็นองค์แท้ของพระพุทธเจ้าองค์แท้ของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนนี้เองแล้วถ้าเราสามารถศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันนี้ได้จนจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จากเราไปเลยพระพุทธเจ้านี้อยู่กับพระธรรมคาสอนสิ่งที่จากเราไปนั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นสรีระเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี้ไม่ได้จากไป ทรงอยู่ในพระธรรมคำสอนนี้เราสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เราสามารถมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราได้มีพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งของใจเราได้มีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีดวงตาแห่งธรรมขึ้นมา เพราะเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะมีธรรมอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและมีพระอริยสงฆ์อยู่ในใจเพราะพระอริยสงฆ์ก็คือผู้มีดวงตาเห็นธรรมนี่เองเพราะผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งภายในใจของเราเราก็ต้องสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนั่นเองปฏิบัติไม่ให้ผิดเพี้ยนจากคำสอน สงสอนให้ทําอะไรก็ให้ทําตามแล้วก็ทําให้ดีคําว่าดีก็คือทาให้มากทําให้เต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนให้ได้คะแนนร้อยร0นถึงจะเรียกว่าเรียนดีปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติให้ครบร้อยเปอรสงสอนให้ทําทางก็ต้องทำทางสงสอนให้รักษาศีลก็ต้องรักษาศีล ส่งสอนให้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิส่งสอนให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องพิจารณาต้องปฏิบัติตามจะมาเลือกทําแต่บางวิชาเท่านั้นไม่ได้เพราะจะไม่ถือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเมื่อไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยนั่นเองจะไม่ได้คะแนนเต็มร้อย อาจจะได้เพียงห0 60หรือเจแต่ถ้าทำครบท้วนทุกวิชาทานก็ทำอย่างเต็มที่มีเท่าไหร่ก็ให้ทั้งหมดเช่นพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชรักษาศีลตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงวันพระเท่านั้นรักษาทุกวันทานก็ให้หมดสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่ทรงมีอยู่ก็สละไปหมดไม่เอาเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็มารักษาสีงมานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วก็มาสอนใจให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราและร่างกายของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของสามีของภรรยาของลูก ของพ่อของแม่ของเพื่อนของใครก็เป็นเหมือนกันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไปถือว่าเป็นเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นที่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราเราก็จะต้องทุกข์กับเขาทันทีแต่ถ้าเราไม่ถือว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราก็จะไม่ทุกข์เช่นคนอื่นที่เราไม่รู้จัก เขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นเขาจะตายอย่างไรเราไม่ได้ทุกข์กับเขาเพราะเขาเราไม่ได้ไปถือว่าเขาเป็นญาติของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเรานั่นเองพ่อแม่ของเราก็เป็นพ่อแม่แต่เราอย่าไปยึดติดคําว่าเป็นพ่อแม่เราต้องมองความจริงว่าเขาเป็นเพียงร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเขากับร่างกายของเราเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตาย ส่วนพ่อแม่พี่น้องนี้เป็นสมมุติที่เราสมมติกันขึ้นมาว่าคนนี้เป็นพ่อเราเหมือนเราเล่นละครกันเราสมมุติว่าเราเป็นพระเจ้าตากสินคนนั้นเป็นพระสมเด็จพระเรศวรมหาราชแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นเราเป็นเพียงร่างกายเราสมมุติว่าเราเป็นลูกเราสมมุติว่าเขาเป็นพ่อเราสมมติว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นเองแต่ความจริงเราเป็นเพียงร่างกายเหมือนกันหม ร่างกายที่มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความจริงที่เราต้องคอยสอนใจเราแต่เราก็ไม่ปฏิเสธเรื่องสมมติเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรเราก็ปฏิบัติกันไปเช่นพ่อแม่เราก็ต้องมีความเคารพมีความกตัญญู มีความรักมีความเมตตาสงสารเหมือนกับคนอื่นเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อกันแต่เราจะไม่มาออคิดว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเราต้องมองว่าเป็นเพียงร่างกายที่ต้องแก่ที่ต้องเจ็บที่ต้องตายไปเท่านั้นถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายของใครเมื่อถึงเวลาที่พ่อเราตายแม่เราตายเราก็ทำหน้าที่ของเราไป มีหน้าที่จัดการงานศพก็จัดให้ดีให้สมเกียรติแต่เราไม่มาร้องห่มร้องไห้ให้เสียเวลาเสียน้ำตาไปเปล่าๆเพราะไม่มีทางที่จะทำให้เขาฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราโดยใช่เหตุนี่คือการเจริญปัญญาเป็นอย่างนี้ต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดจะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติตามได้แล้วพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาตามลาดับ คือจากพระโสดาก็เป็นพระสะกิดาคาจากพระสะกิดาคาก็เป็นพระอน า, าคาจากพระอน า, าคาก็เป็นพระอาหารเมื่อเป็นพระอาหารแล้วการปฏิบัติกิจในศาสนาก็หมดสิ้นไปไม่ต้องทําบุญให้ทานต่อไปไม่ต้องรักษาศีลต่อไปไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องปฏิบัติทําแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้เป็นเหมือนการรับประทานยานั่นเอง เมื่อเราหายจากโรคแล้วเราไม่ต้องกินยายาเราก็เก็บเอาไว้เฉยๆหรือเอาไปให้แก่คนอื่นต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ปฏิบัติอีกแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ละเลยการทำบุญให้ทานท่านก็ยังมีศีลอยู่ท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่แต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อรักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายท่านทาไปเพื่อความสบายใจเท่านั้นเอง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ต้องทำก็ได้ท่านอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ไม่มีผลเสียหายอะไรกับท่านอีกต่อไปนี่คืองานของาศาสนามีวันสิ้นสุดลงมีวันสิ้นมีวันจบแต่งานทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้รา่ารวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็ยังต้องทำอยู่เพราะความอยากมันไม่หมดไปจากใจนั่นเอง เมื่อยังมีความอยากก็ยังมีความหิวมีความทุกข์ความต้องการต่างๆตามมาจึงขอให้เราต้องพยายามปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อตัดความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจเถิดแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค้วคกราดปลอดภัยมีความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ